Book 2 33 33 <in> ทีาี่สถานีรถไฟไปดิสโาซีรถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะวันนี้รถ t ู e ไปเบอลิน รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะวั r นี้รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไรคะว o นนี้รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะคุณรถ r ะตรงที่รถไฟนว a ร์สก้า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 ดิฉันต้องการตั๋วไปปราศหนึ่งที่ค่ะดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์นหนึ่งที่ค่ะรถไฟถึงเวียนนาเมื่อไห ร, ร่คะ รถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะวัน n ี e จะม r ถึงรถไฟถึงมอสโกเมื่อไรคะรถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไรคะวันนี้จะม r ถึ e ร r ไ i ถึงอัมสเตอร์ดัมเมดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะมุตต์แอค e รานเอ a ร d e ฟอรรถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ vanaf วัตเตอร์แพลตฟอร์มฟรีทรักที่เทรถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะ e ฮ้ที่เ e รินส a ลป w อนส์ดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซล์หนึ่งเที่ยวค่ะฉันต้องการตั๋วกลับโคเปนเฮเกนค่ะ อ e ากว่ากราฟ a ีทูร e ค่ากี่นาคูเป็นอันค่ะที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่ค l kos ก e n plek i ล die s ี a a ลบ a